Thank mm -hmm. you. ในการได้ยินได้ฟังแล้วก็ประสบการณ์ในการปฏิบัติในการเจริญสติทำอะไรถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ใหม่อยู่เสมอทำใหม่เนี่ยก็ลีลีของขวางเราหัดทำงานทำการถ้าเราหัดทำงานทำการใหม่ๆนี่ก็ยุ่งเหยิงสับสน บางทีก็ทิ้งๆที่งคงขวางไม่สู้ไม่เอางานเอาการการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันม่ได้มีประสบการณ์ประสบการณ์กับความหลงประสบการณ์กับความยากความงายความผิดความถูกประสบการณ์กับอะไรต่างๆมากมายสำหรับผู้ที่ทำงานงานที่เราทำกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำมันเกิดขึ้นมา ความขี้เกียจที่คลั่ความยุ่งยุ่งยากๆความสับสนวุ่นวายความไม่มีศรัทธาความโทษแท้ความเบื่อหน่ายอะไรต่างๆเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานเราจึงเทียนพยายามโดยเพราะการเจริญสตินี่มันอาจะมีปัญหามากมายหลายอย่างกว่าการทำงานทำการอย่างอื่นมันต้องใช้ความนิ่มนวนความ ภาพเกียนความอดทนความศรัทธาปริยะอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันบางทีเราเจริญสติมันได้ความหลงมากกว่าความรู้สึกตัวแทบจะไม่เป็นขิ้นเป็นอันทำใหม่ๆเนแต่พยายามติดตามให้ดีๆจะทอดทิ้งเอาประสบการณ์ตรงนั่นแหละประสบการณ์ตรงที่เราตั้งหลักไว วาจะเจริญสติมีกิริยาที่จะต้องเจริญสติการยกมือเคลื่อนไหวไปมาตามรูปแบบของการเจริญสติที่หลวงปู่เทียนท่านสอนตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้กายบัพระสัมปชัญญะบัพพะจิตบัพพะที่เอามาเอาบัพพะต่างๆมาสร้างความรู้สึกตัว ให้มันเป็นหลักในหลักตั้งไว้ที่หลักให้มันดีๆรูแบบนิมิตที่เราตั้งไว้นี่ยสำคัญมากๆอย่าคิดใจเลื่อนใจลอยจับมานจับการรูแบบก็ต้องมีจิยาก็ต้องมีกรรมก็ต้องมีการกระทาม็ต้องต่อเรื่องบางทีมันก็ปวดควบง่ายบางทีมันก็เลื่อนลางทำอะไรที่ไม่เห็น ทันหูทันตาทันอกทันใจกันที่ทำอะไรที่ไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันนั่นแหละมันดีเราเจริญสติบางทีเราจะไปคิดว่าให้มันเกิดอะนโน้นอันนี้ขึ้นมาม่เหมือนกับเราขุดดินต้นขนาปลูกข้าวไถนาเมื่ก็เสร็จไปเป็นวันวันไปเป็นโลกเป็นร่างไปเรื่อยเรื่อยไป ไปมันก็เสร็จไปมันกันความรู้สึกตัวอยู่กับกายกายมันก็ไปติดกับความรู้สึกตัวมันเป็นนามธรรมไม่เป็นวัตถุธรรมที่เรามองเห็นได้มันเป็นนามธรรมที่มันไปจุ่มไปติดเอาลอยไปติดเอากับความรู้สึกตัวหรือบทต่างๆไปติดกับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็ไปอยู่กับรี่บทต่างๆ ถ้ามันติดแล้วความรู้สึกตัวไปติดกับรีบทรรอริบุตรก็เพื่อความรู้สึกตัวนั่นแหละมันจะง่ายต่อไปมันจะง่ายแต่ยากสำหรับทำใหม่ๆแล้วมันก็ฝึกตนเองไปในตัวเสร็จขณะเดียวกันกิยาที่เราทำความรู้สึกตัวที่เราเจตนาความเพียรที่เราพยายามทำต่อนึ่ ในความตั้งใจมั่นใส่ใจที่จะรู้สึกตัวเวลาใดที่มันไม่รู้สึกตัวมันหลงไปครับเพียนพยายามที่จะเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้สึกตัวมันก็จะเป็นงานเป็นการไปต่อไปเมื่อมันเป็นทางมันก็ไปเองทําใหม่ใหม่มันก็บุกเบิกมันก็บุกเบิกเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นะเอตนาสร้างความรู้มันบุกเบิก เวลาใดที่มันผิดไปรู้สึกตัวน่บุกเบิกความหลงก็มีหลายอย่างความง่วงเหงาหา้อนที่ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกตั ว, ว, ก, ตวก็บุกเบิกไปให้เกิดความรู้สึกตัวมันเป็นตรงนี้แล้วต่อไปมันก็เปลี่ยนไปเองเวลาหลงความรู้สึกตัวก็มาทันทีอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นขนาดเดียวกันเป็นแล้วก็สะดวก แต่ถ้าสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจที่จะต้องดูให้มันเห็นชัดเจนจะจับหลักจับแหล่งได้ดีๆมันก็มีอยู่แล้วมีกายมีความรู้สึกทีท่างสร้างสติมันเป็นรูปเป็นนามอย่างไรกายที่มันเคลื่อนมันไหวมันรู้สึกอะไรได้กับการเคลื่อนไหวมันหลงก็ได้มันปิดก็ได้มันถูกก็ได้มันสุขก็ได้มันทุกข์ก็ได้ มันเบื่อหน่ายมันขี้เกลียดขี้คลานอะไรก็ได้มันคืออะไรนั่งอยู่สร้างสติอยู่นี่อ้าวมันหลงคิดไปทั้งนู้นมันคืออะไรแต่ที่สร้างอยู่นี่มันรู้สึกตัวได้มันคืออะไรความหลงก็หลงแล้วหลงอีกความรู้ ก, ก็รู้แล้วรู้อีกมันเป็นกายรู้อะไรได้มันเป็นรูปเป็นนามอย่างไรให้เห็นเป็นรูปเป็นนามอย่าขํา ล่วงไปหลายหลายอย่างให้เห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่คิดเห็นพยายามที่จะดูลงไปมันผิดก็ดูลงไปมันถูกก็ดูลงไปมันเป็นอะไรก็ตามดูลงไปดูลงไปอนดูลงไปดูลงไปนะมันสร้างมั่งสร้างผลภาวะที่ดูลงไปมันหลงก็ดูลงไปมันลูกก็ดูลงไป มันผิดก็ดูลงไปมันถูกก็ดูมันลงไปให้มันเห็นคาหนังคาเขาพอมันคิดไปอ้ามันรูปลงไปเอ้าวมันคิดได้เลยเนี่ยความคิดมาจากไหนการเคลื่อนไหวอยู่ในมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรเคิดไปโน่นมันคืออะไรนั่งสร้างอยู่นี่มันคืออะไรแต่ว่าไม่ใช่คิดเห็นทั้งสองอย่างพร้อมๆกันให้เห็นเป็นรูปมาทมให้เห็นเป็นนามมาทถ้าได้หลักตรงนี้แล้วนะ อะไรก็ง่ายไปเลยเหมือนกับคนมีเครื่องมือในการทำงานคนมีเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่างๆอาศัยเครื่องมือทำให้เกิดความสำเร็จเป็นเราจะปลูกต้นไม้ก็ต้องมีเครื่องมือมีจอบมีเสียมก็มีต้นไม้ที่ปลูกมีสายยางมีน้าที่จะลดได้ต้นไม้ก็ ง, งอกก็ ง, งามอาศัยเครื่องมือ การไปปบัธรรมก็ต้องได้เครื่องมือเครื่องทํางานได้หลักเห็นรูปตธรรมเห็นนามธรรมรูปปธรรมนามธรรมเป็นหลักที่จะบอกความผิดความถูกความสุขความทุกข์มันบอกความผิดความถูกมันบอกความสุขความทุกข์นั่นมันคือรูปปฏธรรมคือนามธรรมเราก็มีสติเห็นขณะที่มันผิดเห็นขณะที่มันถูกรูป นามมันแสดงมันจุกมันทุกข์รูปนามมันแสดงไม่ใช่ชีวิตจริงเพราะมันต้องแสดงตัวเราไม่เคยเห็นเราก็แสดงแบบป่าเถื่อนมาตลอดรูปนามมันแสดงแบบเถื่อนๆความโกรธความโลภความหลงมันตั้งอยู่บนรูปบนนามความรัก ค, ความหลังความยุ่งความยากความหมกมุ่นลองเลสงสัยอะไรเก็ตามมันเกิด มาจากรูปทํานามทำแล้วเขาก็เคยกินมาทางนั้นพอเรามาเห็นแล้วก็จะเห็นการแสดงที่มันป่าเถื่อนความเถื่อนอยู่บนรูปบนนามเมื่อเห็นความเถื่อนอยู่บนรูปบนนามมันก็จะเกิดความชอบอยู่บนรูปบนนามเพราะสติสมชัญญะเนี่ยเข้าไปเห็นเส็จแล้วเหมือนเราทํางานทําการเห็น ช่องว่างเห็นช่องโหว่เห็นความผิดเห็นความถูกมีการกระทําตรงที่มันผิดมีการกระทําตรงที่มันถูกไม่ให้ความผิดมันเกิดขึ้นลอยๆไม่ให้ความถูกมันเกิดขึ้นลอยๆมีการกระทําด้วย่ ไ, ได้หลักเห็นรูปเป็นนามได้หลักฐานคือเห็นรูปเป็นนามตามความเป็นจริงมันก็จะใช่รูปใช่นาม ถูกต้องเมื่อเรายังไม่เห็นนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนไปเห็นเวลาใดที่มันคิดกับไปกับความคิดเวลาใดที่มันหลงกับไปกับความหลงเวลาใดที่มันทุกข์กัไปกับความทุกข์ทุกข์มันเกิดจากรูปจากนามเรานึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราด้วยเราก็ยึดเอาด้วยการทำความเพียนบางทีความขี้เกียจพาให้เราเลิกละ ประกอบความเพียรความขยันมันพาให้เราปราลบความเพียรมีแต่คําสั่งให้หยุดไม่แต่คําสั่งให้ทํามันตั้งอยู่บนลูกบนน้าแต่เรามองเห็นแล้วเห็นเรานั่งอยู่มันเชื่จะลุกเราก็เห็นว่ามันเป็นลูกทำมันเป็นน้ำทำเราก็ลูกของเราเองเราก็จะลุกของเราเราก็จะนั่งของเรา เวลาใดมันผิดมันถูกเวลาใดมันสุขมันทุกข์ก็จะเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เราเวลาใดที่มันโกรธมันวิตกกังวลมันเกิดปัญหาต่างๆความลังเลสงสัยความหมกหมุ่นขุนชิดความเครียดอะไรต่างๆมันเป็นโูกประธรรมมันเป็นนามมาทำเราก็จะได้เห็นมันเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นดอาการต่างๆ ที่มันเกิดกับรูปความนามเราก็จะต้องรู้แจ้งตรงนี้ได้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเคยพูดหลายครั้งหลายหนว่ามันเป็นดาการของรูปของนามทั้งหมดความโกรธความโลภความหลงความพิดพุ่งสาความลังเลสงสัยความหยุ่งความยากความ ปร่งๆป่งแต่งแตง่มันเป็นอาการของรูปของนามไม่ใช่ความจริงทอเรามาเห็นหลักแต่มันเป็นอาการของเขาอาการที่มันแสดงออกมันก็เป็นความจริงอาจจะถือว่าเป็นการบรรลุธรรมได้เห็นอาการของรูปของนามตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงมันเป็นอาการเช่นความ โ, ir, ามโกรธมันเป็นอาการจริงแบบอาการไม่ใช่จริงแบบปรมาจิจริงแบบสมมุติความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับรูปความนามามันจริงแบบสมมุติบัญญัติไม่ใช่เป็นปรมัติสัจจะความหลงไม่ใช่สัจธรรมความไม่หลงเป็นสัจธรรมมาพร้อมกัน ถ้าได้รูปได้น้ำมันแก้ของมันเองน้ำย่อก็หนมบ่งไปงมันแก้ในตัวมันเนื้อในมันเองในเนื้ออยู่ในกับตัวเหมือนคนทํางานทําการที่มีสติปัญญาให้คนมาทํางานให้เราก็เนื้ออยู่ในน้ํานั่นเนื้อมันในมันงานที่เขาทํเาเขาก็ใช่ของเขาเองเช่นทกส เขามีเงินชาบรรญกิจเขาก็เอาเงินชาปรัรกิจเก็บเงินจากสมาชิกทกศไปให้คนที่เสียชีวิตเอาไปออามาก็คือเนื้อมันในมันไม่ออกมาจากไหนเงินที่เก็บจากสมาชิกก็ไปให้สมาชิกคนที่ตายไปของคนเสียเป็นหมื่นเป็นแสนหลายปีศพหนึ่งก็หลายบาท เสียไปแล้วเสียไปแล้วบางทีสมัยคิดโทโขกอโสล้มตายไปปีละหลายหลายคนก็เสียเป็นหลายพันเป็นพันถ้าสี 40, ่สิบห้าสิบปีตัวเองยังไม่ตายเป็นแสนมันกันเมื่อเราตายไปเราก็เนื้ว่าเราได้เงินโทโขกอโสหรือแท้เราก็เสียไปเท่าไหร่เท่าไรเอาเงินของเราเองเนื้อมันในมัน การปฏิบัติธรรมนี่ยก็เนื้อมันในมันความหลงมันก็เกิดความรู้ความทุกข์ก็เกิดความรู้ความสุขก็เกิดความรู้อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับใจเป็นอาการต่างๆมันเป็นเนื้อเป็นน้ำอยู่ในตัวเรียว่าบรรลุธรรมเห็นความโกรธนั่นแหะเป็นการบรรลุธรรมเห็นความทุกข์นั่นแหะเป็นการบรรลุธรรม เห็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับน้ําเป็นความร้อนความหนาวความปวดเก็บ oh. ใข้ได้ป่วยต้องเห็นจริงๆเมื่อมันเห็นจริงๆมันก็ได้หลักความไม่เก็บไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายมันก็มีอยู่ในรูปในน้ําความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีอยู่ในรูปในน้ําไปแล้วนหลุกตกไปแล้วหลุดพ้นก็หลุดพ้นตรงนี้หลุดพ้นจากรูปจากน้ำํำถ้าฝึกดีๆ เาว่าที่เป็นนามธรรมา ท, ที่เป็นตัวปัญญาเนี่ยเข้าไปเห็นแจ้งอาการต่างๆที่เกิดขึ้นบุญกองรูป ก, กองนามมรรคผลก็อยู่ตรงนี้ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้สติสัมปชัญญะสินสมาธิปัญญาก็คาบล่วงตรงนี้เกิดศินเกิดสมา ธ, มาธิเกิดปัญญาได้ก็เพราะเห็นกองรูป ก, กองนามไม่ใช่ศินแบบสมาทาน เป็นศีลที่ถลุงแล้วเป็นสมาธิที่ถลุงแล้วเป็นปัญญาที่รอบลู่ในเรื่องแล้วแล้วมัก็มีอยู่ทุกคนยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไวไปมาลู้ได้ผิดได้ถูกได้ทุกได้มันก็คือลูปคือดางไม่มีอะไรที่จะแสดงได้มากมายเท่ากับกองลปูปกองน้ำ ถ้าเราไม่เห็นกับเรื่องเดียวใช้ไม่จบไม่สิน้นความหลงหลงจนตายความโกรธโกรธจนตายความทุกข์ก็ทุกข์จนตา ย, าตายาทุ ก, าท ก, ต, าทกตายไปกับความหลงความทุ ก, ต า, ก, าทกตายไปกับความเจ็บความแฉเราไม่รู้ความเป็นจริงแน่นอนที่สุดปฏิเสธไม่ได้พวกเรา ถ้าไม่รู้เรื่องนี้ก็ตายแก่เก็บเกิดแน่นอนถ้ารู้เรื่องนี้ก็จบคนเสด็จถึงก็ไป็นคนป่วยเป็นโรคมะเร็งเมื่อวันก็จะไปควบคุมกองลูกบางทีลูกมันควบคุมอะไรไม่ได้อย่ามีตัวมีตนอยู่ตรงนั้นถ้าเราฝึกแล้วมันก็ภาวะที่เป็นตัวรู้ตัวเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนะ ตัวเห็นแจ้งตามความเป็นจริงปัญญาอาจจะไม่ใช่นามแต่ปัญญาเนะี่ยมันก็ทําให้เกลี้ยงเกลาในกองลูกกองน้ำเรียกว่าปัญญาโลอกเป็นความโลอกลูกในกองลูกกองน้ำแล้วก็ภ า, า, าวะที่เป็นปัญญาเนะยมันเป็นนามมาทำน้ำ ม, มาทำที่เป็นปัญญามันไม่มีอะไรที่มาครอบคกมได้ ปัญญาที่เกิดขึ้นบนกองลูกกองน้ำมันที่สุดแล้วที่สุดแล้วที่สุดแห่งที่สุดแล้วปัญญาที่เกิดบนกองลูกกองน้ำไม่เหมือนปัญญาที่เกิดอยู่กับการศึกษาตามสูตรสำเร็จไ ม, ไม่ใช่ที <S <S <S <S <S <S <S ่สุดเห็นวิชาการต่างๆจบจากการศึกษาสาขาศาสตร์ต่างๆอันนั้นไม่ใช่ที่สุดเป็นปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญานอกกองลูกกองนาำแล้วก็ มีเพื่ออย่างนี้จริงๆคิชีวิตของเราไม่เพื่ออันอื่นเพื่อที่สุดแห่งกองรูปกองนามไม่ต้องมีปัญหาเพราะกองรูปกองนามแต่ถ้าเราไม่ศึกษาจะเป็นปัญหาเพราะกองรูกกองนาำทช่เราไปโกรธเราลักเราผิดเราพลาดเราวิตกกังวลทำงานทำการไม่ปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่ปัญหากับอะไรต่างๆมากมายมันตั้งอยู่บนกองรูปกองน้ำทั้งนั้นไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ไหน แล้วก็เกี่ยวข้องเข้าไปก็ตามมันมาทางกองรูปประทำกองน้ำ ม, มาทำกองรูปกองน้ำ ม, มันรับรู้ได้หลายอย่างถ้าเราไม่ได้หลักตรงนี้แล้วก็อฟรีเลยหลยชีวิตของเราเอาไปกินฟรีฟรความหลงเอาไปกินฟรีความปูดความทุกข์เอาไปกินฟรีเราก็หมดพลังงานฟรีฟรีจึงมาดูมาศึกษามา ได้หลักได้แหล่งถ้าจะเรียกว่าโลกก็เอาดูดเราไปใช้หมดแล้วโลกเป็นอาศัยอยู่บนกองรลกกองน้มเพื่อให้เกิดโลกรูกโลกทั้งหลอยโลกแห่งกิเลสตัณหาโลกแห่งความเขียบคข้ได้ป่วยก็ดูดต่อบนโลกโลกโลกน้ำโลกตรงนี้พอลองมาเห็นแล้วเออรักษาโลกตรงนี้หายเป็นความทุกข์ ก็อะไรต่างๆจะบนโลกแห่งกองโลกกองน้ำจะไม่มีมีแต่โลกที่มันเป็นปัญญาได้หลักตรงนี้นะการปฏิบัติธรรมอย่าให้ตระเลยเปิดเปิง ด, ดูใกล้ๆดูใกล้ๆรู้สึกกายมันเคลื่อนไหวก็เห็นมันดูนี่แหลอะอวันคิดก็เห็นมันมันไม่คิดก็รู้มันไปมันไม่มีเสียหาย ปฏิบัตริรมถ้าจะว่าแล้วแรงไม่เสียท่วมไม่เสียมันหลงก็ลู่นะจะว่ายังไงมันไม่หลงก็ลู้เนี่ยมันสุข ก, ก็ลู้มันทุกข์ก็ลู้เแรงไม่เสียท่วมไม่เสียถ้าจะเห็นให้คมคมซะหน่อยเห็นเป็นรูปเป็นนามนตามันคมเข้าไปถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามอ้าวไม่ต้องเรียกว่ารูปไม่ต้องเรียกว่าเวทนาไม่ต้องเรียกว่า สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้งห้าก็จบลงที่กองรูปกองน้ำที่สุดแห่งกองทุกก็จบลงบนกองรูปกองน้ำลื่อถอดขันธ์ห้าลงเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมาเป็นอาการของรูปเป็นอาการของนามไม่เรียกว่ารูปเว็นาสัญญาสังขารวิญญาณนายช่างที่สร้างกองรูปกองน้ำหมดสภาพแล้ว ออในช่างที่สร้างขัดทั้งห้าหมดสภาพแล้วเห็นเป็นรู ป, ประธรรมเห็นเป็นนามรธรรมอุปทานที่ก็เป็นของกองรูปกองนามหมดสภาพแล้วเจ้าของขันท่าคืออุปทานหมดสิทธ์แล้วมีสติสัพพัญญะเป็นผู้ครองกองรูปกองนามเจ้าอุปทานไม่มีสิทธ มันก็เท่านี้ปฏิบัติธรรมว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พระพรุทธเจ้าก็ทรงสแสดงสาระโภทั้งหลายเช้นนี่สภาวะโภคทั้งร้อยก็รู้เรื่องนี่เป็นส่วนมากถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามอย่าตเตลิดเปิดเปิงอย่าไปคิดตามที่เรียนรู้ไปคิดตามที่จํำออากมาไปคิดตามที่รู้ออกมาเอาเหตุเอาผลอยู่บนความคิดเอาเหตุเอาผลที่ ความจำที่เคยจำมาเอาเหตุเอาผลเปรียบเทียบกับครูอาจารย์ต่างๆเอาไปเอามาเป็นผูของเราเองเห็นของเราเองมันหลงเราก็เห็นของเราเองมันไม่หลงก็เห็นของเราเองมันเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดตัวใครตัวมันความหลงแต่ลราคนมันหลงต่างภาวะต่างแบต่างเรื่องความสุขความทุกขก์ต่างเราเนี่แหละจะเป็นตัวที่จัดเจณเรื่องนี้นะ มีสติตรงไปมีสติลงไปแต่ว่าต้องสร้างสติถ้าไม่สร้างไปคิดเอาจาเอาไม่ใช่สติมันจะมีตอนที่มันประกอบเกิดได้จากการประกอบเกิดได้จากความผิดความหลงความสุขความทุกข์สติมันเกิดอยู่บนกองโลกทั้งหลายูโลกตามโลกความสุขความทุกข์ความไปตกกองวนความงงเหงาเหงานอนความลังเลสงสัยอะไรต่างๆสติมันเกิดมันงอกงามอยู่ตรงนี้ด้วยมันหลง เกิดความรู้มันโงอกงามอยู่บนความหลงมันทุกข์มันเกิดความรู้สึกตัวมันโงกงามอยู่บนความเหมือนปุ๋ยที่ทําให้ต้นน้อยต้นข้าวโงอกงามของสกปรกทําให้โงอกงามเหมือนปุ๋ยทั้งหลายมันสกปรกมาติดเนื้อติดตัวเราก็เป็นด่างเป็นคันเป็นอะไรไปแต่ว่าสติมันจะเกิดอยู่บนความหลงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามเห็นความโกรธเห็นความโกรธก็เป็น สติแล้วเป็นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารนี่ก็เป็นปัญญาที่มีชีวิตเราเพื่อการเนี่โดยตรงมีกายก็บพิมอสร้างจังหวะพอมันหลงเกิดขึ้นมาเราก็ได้ความรู้จากความหลงโดยความรู้จากกองลูกกองน้ำจนเกลี้ยงเก่าที่สุดไม่เบื่ออะไรจะทําที่อยู่บนกองลูกกองน้ำสมมุติบัญญัติปรมตาจักรุษน์เอาคุณ โมหลงปูเทียนวะกายก็ตามวาจาก็ตามใจก็ตามที่เป็นกุศลอกุศลทางกายอากุศลทางวาจาอกุศลทางกิจกุศลทางกายกุศลทางวาจากุศลทางกิจจับหลักตรงนี้ไปใช่รูปใช่นามเป็นกุศลทางกายทางวาจาทางกิจนี่คือตัวปฏิบัติเก่งๆอย่าชะง้ชะ ง, งาอย่าภาวะวงต้องหลักจับหลัก ตามอย่าหยุดหยุดหนย่อนถูกไม่ดีจะถูกหลอกเหตุผลก็เป็นความหลอกกันหนึ่งเหมือนกันไปโน่นคิดไปนี่คิดทำโน่นคิดทํานี้อย่างโน่นอย่างนี้เหตุผลเหตุผลมันจะหลอกปฏิบัติการเจริญสติมันจะเห็นตัวนี้เข้าไปอีกมันคิดอันนั้นว่าถูกอันนี้ว่าถูกมันคิดไปที่แท้มันดับเบิลผิดไปแล้ว ดับมันผิดไปแล้วพอมันคิดอะไรก็รู้สึกตัวโอ้เวลานี่เรากำลังเคริ่นสติเวลานี่เรากำลังเคลื่อนสติรู้สึกตัวพอมันคิดไปโน่นคิดไปนี่กรู้สึกตัวซะมาปฏิบัติมาประกอบพิกมือก้มมืองยมือนะมันจะเกิดทันถ้ามันหลอกแล้วหลอกเกี่ันก็หลอกความหลอกหลอกได้ดิบได้ดีต่อไปเลยให้หลอกได้เท่ากับตัวเราหลอกตัวเรา ลองพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเห็นภาวะที่มันหลอกผิดมันเกิดขึ้นกับกองลูกกองน้ำเน่ยโวยมันลึกซึ้งมากนะหลอกอะไรก็ไม่เท่ากับความคิดที่มันเกิดกับความคิดที่มันหลอกตัวเราได้ดีที่สุด mm hmm. ก็ควมเพนท์นาทางจิต mm hmm. พอมันเกิดอะไรที่มันผิดมันถูกกับความคิดก็ระวังให้ดีๆต้องรู้สึกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมาใช่กายใช่ วาจาใช่จิตไปอีกตัวหลอกเกิดขึ้นกับกจิตมันก็ใช่จิตให้ทําตัวหลองเกิดขึ้นกับการมันก็ใช่กายให้ทําสําเร็จมันสั่งให้จิตทํามันสั่งให้กายทํามันสั่งให้วาจาสแสดงเป็นคําพูดออกมาเราจึงรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่าเพิ่งไปเอาเหตุเอาผลจากความผิด mm hmm. ความถูกที่เกิดขึ้นจากความคิดหาคําตอบที่เกิดจากความคิด บางอย่างความตอบที่ได้จากความคิดมันไม่จริงเสมอไปแต่ถ้าเป็นปรมตาสภาวธรรมมันต้องพบเห็นเขาในตัวมันนั่นแหล ะ, ะรู้สึกตัวพยายามกลับมารู้สึกตัวถ้าจะบอกตัวเองเวลานี่เรามาสร้างสติอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวอยู่บนลู่บนน้ำเราก็ไม่เกี่ยวข้องหลอกเอามาสร้างเป็นตัวรู้สึกตัวมันจะแสดงออกทางกายก็รู้สึกตัวมันแสดงออกทาง จิตใจก็รู้สึกตัวมันแสดงออกทางลูกทางรถทางต า, ง ท, าทางหูก็รู้สึกตัวไว้ก่อนรู้สึกตัวไว้ก่อนให้มันมีหลักตรงนี้จับหลักตรงนี้ให้มันได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็การพูดทุกวันแหน่งผมรูกว่าผมพูดแบบสอบอารมณ์ถ้าเราฟังดีๆไม่ต้องไปสอบอารมณ์ทุกวันนี้มันจเจริญแล้วสมัยที่หลวงปู่เทียนสอน คนไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรก็ต้องสอบอารมณ์แต่ว่าผมพูดทุกวันในเป็นการสอบอารมณ์ไปในตัวเอาไปประกอบเลยนะถ้าไปสอบอารมณ์ก็พูดเหมือนพูดตอนเช้าตอนเย็นนี่แหละแต่ว่ามันต่างววละกันเฉยเฉยมันทันทีมันก็ดีแต่ไม่นักปฏิบัติได้ตั้งต้นได้ อบอุ่นนะแต่พูดถึงตัวปฏิบัติจริกงกริงในพอแล้วฟอง่นแต่ว่าเวลาไปสอบอารมเป็นเพื่อนมันอบอุ่นความอบอุ่นทำให้ไม่ชะเง้อชะ ง, ง่านะ